เวรัญชพรามแสดงตนเป็นอุบาสก 15. หเมื่อตรัสอย่างนี้เวรัญชพรามได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดมเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดท่านพระโคโดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศทำแจ่มแจ้งโดยประการต่าง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 และขอท่านพระโคโดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์ส่งรับคำนิมนต์ของข้าพระองค์อยู่จำบัรษาที่เมืองเวรัญชาด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับคำนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นเวรัญชพรามทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทาปตักสินแล้วจากไป